5. จีวระอัดฉินธนะสิกขาบท 48. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วกโกรธไม่พอใจชิงเอาคืนมาณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทะสากยบุตร ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทะสากยะบุตรให้จีวรแก่พิสุเองแล้วกโกรธไม่พอใจชิงเอาคืนมาในจีวระอัดฉินธนสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสสมุทฐาน